ครั บ, รบถ้าจะใช้มือถือแถวนี้มีสัญญาณไหมฮะน่าจะมีนะผมก็ใช้มือถือแถวนี้มาแล้วครับเออถ้าให้เป็นการรบกวนจะเกินไปผมอยากหยิมมือถือบอกโทรหาแม่หน่อยจะได้ไหมครับได้สิครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วคุยตามสบายเลยอ่ะนี่ครับมือถือครับขอบคุณครับไม่เป็นไรไม่ต้องกรีวใจนะตามสบายนะครับหมอ โ <Hello. S 2> บ้านสุนันทาค่ะแป้งฉันเองนะคุณเทพอือูทางเสียงหลงเชียวเป็นอะไรฮะโอ้ทุกคนเป็นห่วนคุณเทพกันทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยคุณผู้หญิงกำลังตัดสินใจว่าจะไปแจ้งความดีหรือเปล่านะคะแจ้งความค่ะแจ้งความบนหายหรืองไงค่ะเฮ้ยฉันยังไม่ตายยังไม่หายสาบสูญยังอยู่นี่ไงทราบแล้วค่ะแค่ได้ยินเสียงของคุณเทพก็โล่ง อ, อกแล้วล่ะค่ะ เคุณเทพยังสบายดีอยู่นะคะก็ไม่ถึงกับสบายนะแม่ฉันอยู่เท่านั้นหรือเปล่าะอยู่คะ่ะรอเดี๋ยวนะคะอีฉันจะไปตามคุณผู้หญิงมารับสายคะ่ะแหมคุณเทพโทรมาแบบนี้คุณผู้หญิงจะต้องดีใจสุดๆเชียวละคะ่ะ ครับแม่อยู่ไหนลูกแม่พยายามติดต่อแต่ก็มีแต่สัญญาณสักทีหนึ่งอยู่บนดอยหรือไงเหรอครับพออยู่บนดอยแม่สระเลียงนะแม่ไปทําอะไรบนดอยแม่สเรียงก็ศึกชอบอากาศบนดอยนะแม่ติดใจที่นั่นแล้วล่ะสิธรรมดานะฮะชาวดอยจริงใจดีตรงไปตรงมามีจิตใจงดงามมากติ่กับพลในเมืองเราเชิงครับแล้วจะไปหาแม่สูรหรป่าไม่ได้ไปเลยฮะทีแรกตั้งใจจะไปหาเขาไม่ใช่หรอ ครับแต่ตอนเนี้ผมคิดได้แล้วฮะผมไปหาเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเขาตัดสนใจเข้าไปแล้วนะฮะคงไปจ่ายชีวิตผมแล้วหรอกครับคิดได้แ้่ก็ดีนะลูกนะแม่เองก็เห็นด้วยเออแม่ครับว่าไงลูกมีเบอร์มือมถือกี่ไหมฮะผมจําไม่ได้อ้าวไม่ได้บันทึกเอาไว้ในมือถือเหรอมือถือผมมันหายไปครับข้อมูลก็หายหมดเลยอ้าวต้องกลับไปเปิดคอมดูล้วครับแม่พอจะจําได้ไหมฮะแม่จําไม่ได้นะ แต่แม่บันทึกไว้ในมือถือเอางนะั้นรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่เปิดมือถือดูก่อนนะครับขอบคุณครับ ยงฮนะเรียบร้อยแล้วครับแ ม, ม่แล้วจะกลับเมื่อไหร่ล่ะเร็วเร็วนี้แหละครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะฮะใช่ก่อนหน้านี้นะแม่เป็นห่วงเราแล้วเกินนะกลัวเราเนี่ยจะเป็นอะไรไปโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้โทรไปที่โรงแรมที่เชียงใหม่ที่เราพักพนักงานก็บอ ก, กเราไม่เข้ามามันยังไงก็ไม่รู้แม่นอนนอนไม่หลับพะพอวงแต่เราคนเดียวล่ะขอโทษนะครับที่ทำให้แม่เป็นห่วงอนะ ไม่เป็นไรลูกระวังตัวได้ล่ะอย่าลืมดูแลตัวเองนะลูกนะแล้วทางเหนือนะเข้าหน้าห น, นาวแล้วเห็นข่าวทางทีวีบอกว่าเออมันมันหนาวมากใช่ไหมลูก <c oughs> อากาศติดลบแล้วใช่ไหม <c oughs> ไม่รู้นะครับตัวตอนเช้าย่อนย้าเย็นจนจะไปเกล็ดเล็กๆแล้วนะฮะแม่ขนิงแล้วเหรอครับคงจะใช่อะฮะอุ้ยฉันก็หนาวจับใจเลยสิสำหรับผมก็เฉยๆเพรอยู่เมืองนอกจนชินแล้วนะแม่อากาศแบบนี้แหละกําลังดีเชละ จะเที่ยวเพลินนะลูกนะยังไงก็ติดต่อมาหาแม่มั่งครับแม่หลังค น, นี้ก่อนนะแม่ผม โ, โทรคุยเรื่องงานกับกี้หน่อยจ้าสวัสดีลกูกสวัสดีครับแม่ เหร อ, อเทพอืมฉันเองอ่านี่นายไปไหนเนี่ยฮะเป็นห่วงรายมากรู้ไหมก็รู้รู้แต่เงียบหายไปแบบนี้ะเตอนเกิดอุบัติเหตุ น, นิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นเหรอที่โดนปล้นกลางทางรถเช่ามือถือกระเป๋าเสื้อผ้ากระเป๋าตังค์โดนกวาดไปเรียบเลยวะ่ะอะไรนะเพื่อ น, นเรื่องจริงเหรอจริงสิที่ร้ายกว่านั้นนะที่มันยิงทั้งหลายนัดด้วยฮ่านแล้วแล้ ว, ลวนายไก นายเป็นไงบัางว ะ, ะยังไม่ตายแต่ถ้ามันเกิดเหตุเนี่ยไม่มีคนช่วยฉันไว้ป่านี้ยันงตายกลางทางเน่าไปแล้วก็ได้โอนี่มันร้ายแรงขนาด น, น, นั้นเลยอ่ะอืมโชคดีที่นายไม่ตายจะก็ว่าอย่างนั้นหรอวะอโล่งออกไปทีเฮ้ยเป็นห่วงได้แทบตายอือ ต, ตอนนี้นายอยู่ไหนวะก็ยังอยู่แถวๆดอยแม่โซเรียงนี่แหละไม่ไกลนักหรอกแล้วจะกลับกรุงเทพเมื่ อ, อไหร่จะไม่รู้เลย แต่อยาคุยเรื่องงานกับนายหน่อยนะได้เลยเอองั้นเราเริ่มเลยนะได้เลยเพื่อนเครียงานกันทางโทรศัพท์เหมือนตอนที่นายศึกษางานที่อเมริกาเลยนะเท่ดี <c oughs> คุณกำลังติดตามรับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ควาทุกใจทั้งทั้งที่ใจของเขารักกันรักอาจเป็นความสวยงามที่หลอกพี่คนมีฝันและแล้ววันหนึ่งก ล, ลับพังทลเยมันคือของฝันจะฝัน คือทำสาคืออยาดฝนช่ำเย็นรอร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไรนั่นคือความ ยังคงไม่รู้ไม่เคยทุใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่ส่อนทุกอย่างคือความรักใช่ไหมที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจตกร้าวราวทันลา ทุกอย่างไม่ลื จากฟ้าหรือคือคาสาคือยากฝนชําเย็นห ร, รือร้อนเป็นไฟอยากจะรู้ว่าคืออะไร ความรักใช่ไหมที่ไหลคนร้องไห้ความรักแท้จริง <S <S เป็นเช่นไรเรื่องคงไม่รู้มิเคยกูใจนั่นคือความรักใช่ไหมที่สันสร้างทุกอย่าคือความรักใช่ไหม ที่ลบเลือนทุกสิ่งและทำให้ใจตรงราวราทำลายหมดทุกทุกอย่างไม่เหลือเลยทำลายหมดทุกทุกอย่าง ตอน She's the one I want. She's the light I need. หรือไว้เขาดาอรักเธอใจมันาหลายปีไม่กล้าใกล้เอสักทีจะ เธอที่ไร้ใจมันเต้นรูปชังที่บอกกับตัวเอง ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment เอาละทุกอยาก่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานะไม่มีแน่นอนกอบใจมาก มันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วงั้นแค่นี้ก่อนนะ อ, ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมสุโทรตามหานายอ้าวไปไม่ได้ไงอย่ไปหาเจ้าบ่าวหรือไงไม่ใช่คือฉันไม่รู้จะติดต่อนายยังไงดีก็เลยโทรแบบเบ อ, อร์เก่าของสุดูแล้วดันติดอืมเธอรับสายก็เลยรู้ว่าติดต่อนายไม่ได้เธอก็เลยเป็นห่วงนายพยายามติดต่อนายเหมือนกันยังไงซะได้ลองโทรหาเธอดูไหม เออคงไม่ได้อ่ ะ, อะทเพราะตอนนี้ฉันยืมมือถือหมอเอมือถือฉันโดนโจรนกวาดไปแล้วไงอ๋อเดี๋ยนะไอ้เรื่องเงินทองนายจะให้ทําไงวะกระเป๋าตังค์นายโดนกวาดไปหมดว่ะเยอเลยไม่เป็นไรมันกวาดเงินสดกกระเป๋าแต่บัตรไม่ได้เอาไปด้วยก็ยอย่างนี้ม่าอย่างงั้นนายยุ่งตายแน่บัตรนายเยอะมากแจ้งอาญาจะไม่พอยังต้องไปดําเนินการเอ่อทาบัตรใหม่ ยังลามากเลยะอืมแค่นี้ก่อนนะรบกวณนายช่วยโทรไปหาสุขหน่อยก็แล้วกันได้สิโชคดีนะกลับมากรุงเทพก็โทรบอกเล็กนึแล้วกันอ่ได้ไดอ๋อกี่เรียก่อนเลยเดี๋ยวเรื่องท่ฉันโดนปล้นเนี่ยช่วบอกแม่นะฉันจะไได้พูดเรื่องนี้กลัวแม่จะไม่สบายใจอืมได้เลยได้เลยอะมีอะไรไหมอืมเอ่อไปมีแล้วล่ะอืมแค่นี้นะหวัดนี้นะอืมขอบใจมากเพื่อนหวัดดีเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับก็ขอบคุณหมอมากนะนะไม่เป็นไรครับ ผมยู่ดีสมอเอสนี่หมอนับถือคริสหรอครับครับผมเป็นสมาชิกแล้วก็อีกหลายคนด้วยที่บุกเบิกเรื่องคริสศาสนาแถานนี้ครับอ๋อครับมีหน้าชาวดอยแม่สรียงได้คุณเคยกับหมอเลือเกินผมแม่ไปตรวจสุขภาพพระชาวดอยเดือนละครั้งโดยไม่คิดคาใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับอโอโหดีจังเลยนะครับเนี่ยอครับเไม่ทราบว่าคุณเทพสนใจอ่านหนังสือดีๆสักเล่มไหมครับอ๋อคำภีรนี่หละครับครับเอ๊ะถ้าทางคุณเทพเหมือนเคยเห็นคำภีรเล่มนี้แล้วอย่างนั้นแหละ ไม่เห็นได้ไงก็จะเป็นคนให้เราเองฮะเธอคนที่ชอบเสียงเราคนที่คอยดูแลเราคอยช่วยตัวให้เราเธอก็คือศิลานั่นเองฮะศิลาเธอจะดีกับเราแล้วเกินจึงจำเธอได้ไม่ลืมเลยนะคืนนั้นคือที่เธอหยิบสิ่หนึ่งกับเรานี่คุณ เสียงชีวิตมากเลยนะคุณน่ะก็แสงจริงๆนี่นานั่งๆนอนนอนเป็นไหนก็ไม่ได้เธอเองก็ไม่ได้อยู่ทับฉตลอดเวลาด้วยขอโทษฉันมีงานต้องทําจะมานั่งๆนอนนอนเป็นเพื่อนคุณได้ยังไงล่ะก็นั่งหนสินะได้ได้นอนเสียงอยู่อย่างนี้ไงเอางี้ดีไหมเอาไหนฉันมีสิ่งดีๆใหญ่ใ้คุณดูอะเอออะไรก็เดี๋ยวนะจะไปหยิบมาให้ขอเสียษเรื่อกไงก็ทํานองนั้นนั่นแหละเอ๊ะ เหมือนกาวิเศษแต่ว่าไอ้ทุกๆเราพูดอะไรก็ได้อย่างนั้นน่ะเหรอโถเอ้ยไม่วิสดาขนาดนั้นหรอกคุณนึกว่าจะพี้สดาสิอีกนี่สิ่งที่จะให้คุณน่ะอ๋อนั่งสือแล้วเหรอใช่ค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่หนังสือธรรมดานะเอ๊ะนี่มันคำพีของศาสนาคริสต์นี่นาค่ะนึกยังไงเจ้าคำพีไม่ฉัอ่านก็เผื่อว่าคุณจะได้คิดอะไรได้ดีขึ้น ลดความเจ้าอารมณ์ลงได้บ้างไงฉันเป็นคนเจ้าอารมณ์มากนักเลยไงอารมณ์ร้อนมากเลยล่ะฮะเหรอค่ะอืมขอบใจที่บอกฉันเพราะเห็นว่ากินข้าวหม้อเดียวกันฉันถึงได้บอกลงนะถ้าเป็นคนอื่นฉันก็คงไม่บอกหรอกขอบใจแล้วคุณจะอ่านะไหมีำพิลิมเนี้ยเหรอใช่อ่านสิรับปากด้วยนะคุณต้องอ่านไม่อ่านแล้วก็ฉันโกรธจริงๆด้วย คิดถึงเธอนาะหมอสาวแสนดีชาวไร่แม่สรีนที่รักคุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไปสนิยบัรหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตูปปออ้ปนศอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่